การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักยนในตามตํหลับตําน า, น า, า ก, ก็มีเราก็เคยได้ทาเนียบได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็น ท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัดทางทมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกี่เหลนนำไปใช้นั่นเนองก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกันถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำ่รามทั้งหลายเหล่านั้น มากว่าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียต่อ น, นั้นแล้วเราก็นํามาคิดเพื่ออัดเพื่อทําได้เช่นเดียวกับมันนําไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการส่อสแสงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แยง้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราพลา ปราที่ได้เป็นแรณาของพวกเรามีพุทธังธรรมังสังขังสันนังกฐามเป็นหลักสำคัญนันแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมาักง่ายความสะเพร่าความต้องการให้สุดก่อนหาม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 นับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นนันน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมแต่แก่ตัวเองไม่มี มีแต่เรื่องของทิเลตเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอ ง, งั้นจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเผือนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็ดีอยู่นานนานก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆ ในการจำเนียบ ศ, ศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะน ำ, ำสอนพวกเราในเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์รวนเร่เ ร, เ ร, ร่อน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 ถ้าเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงเท่านั้น่ะแห ล, เลวเหลวไหลยิ่งทุกวันนาาี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทําลายเอามากเกี่ยวในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทําลายสําคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวข่าศึกสิ่งที่เป็นข่าศึกอยู่ภายในจิตนั้น มันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทําลายได้อย่างเราอาจก้าหารได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนนั่นก็เห็นอยู่ ช, ชัดถ้าผู้ที่ต่างคนแต่มีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทําไมจะไม่ทราบว่าอันไหนตอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าศึกอันไหนเข้ามาทําลายอันใดเป็นขุนทําไมจะไม่ทราบ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 หาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีเลยมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่นมีแต่เรื่องอิ่งเล่ห์ทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาคำหยุดความไปเลมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นฆ่าสิทธิ์ต่อทำแล้วมันจะต้องเลวลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัย เ้าความไปรุินมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นค่าจุดต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความไปรด่นลุ่มลังไปไหนถ้าพาความไปรุ่โลกให้ความจลรุ่นลุ่มลังเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจายอยู่ทุกๆุกดวงเอยู่แล้วบนกันว่าทุกข์ก็ลําลบากว่าทร ม, มานอะไรกันอืนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ย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 ศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะฉะนั้นใครจริงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือและทาลายกันเวลาตัวทําลายไม่ไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทํำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นเป็นโลกบางหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจเหนไหมเขขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้น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 ความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่กงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกินเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤตแสดงไปเป็นเรื่องของเล็ดทั้งหมดนันเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่เกล็ดเวทนาที่คิดขึ้นชั่วขณะ แต่เวลาก้าเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนไปแล้วแต่เราไม่ดำเนินตา่างหลักของหรือทาของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเร า, <c oughs> าหาอุบายวิธีทุดทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายขมแล้ว ยิ่งเดชมันจะเหนือธรรมะไปได้อย่างไรก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบยิ่เลสไม่มีอะไรจะปราบกิ่งเดได้ลงค อ, อยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกัดเทือนโลกกทานมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารยิเดชทั้งนั้นปราบปรามยิเลชทั้งวง เดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดันเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นสิปติสตังก็ไม่เนีเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยเพื่มันหลายด้านหลายสรรหลายคมหลายอุบายหลายวิถีการถุกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาแดแหลมคมมากนี่เคยสอนมารูกี่ครั้งกีห่หนอะไรจะแหลมคมแงบคายยิ่งกว่ากิเลส ในโลกกระฐานนี้มีทิ่ยี่เหล็กเป็นเจ้าอํานาจพระความฉนาดแหลมคมขมองมันนั่นเองเนะห้ทําเป็นเจ้าอํานาจก็ต้องผิดธรรมขึ้นมาใช้เพื่อปราบที่เหล็กก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอา ร, ารหันท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนามาใชา้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเอง ทำความเพียรก็มีแต่กิริยากิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อนเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีในทางโยงกลมเป็นไงทุกวันนี้มันไม่ดเป็นดงเสือประมวลเลยเหรือมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึงห้านาทีไห่เดินจงกลมได้พอสามสิบนาทีไหม ผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมูกับเพื่อนหนักมากพีเดี่ยวมองดูแพ็ดแพ็ดแพ็ดมันน่าขวางตาขวางหูอยู่นั่นแหละมันทําไมมันตึงขวางเรารับหมูเพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำต่าสอนด้วยความเมตตาใจแจเห็นได้มันตึงขวางหูขวางตาพี่นาบัางสิหมูเพื่อนเปนะ็นไง <c oughs> มันขวางธรรมมันก็ขวางตาตัวเองล้วคิดเป็นธรรมแท้ๆกับมกัเพื่อ น, ออนดูได้ความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกีดเรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวงังไงเพรจริงเรนนี้ได้เดินดําเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดําเนินมาแล้วมาคุยโมอโอวดเพื่อผฝูงเฉยๆมันได้กล้ามาดําเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่โดยความเจ็ดกันปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่ มาพิงขนาดนี้วัยกับวัยใหญ่แล้วแก่แล้วขนาดหมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมุติโยมด้วยตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทําไมจะไม่รู้มันอยู่เลยเก่ยกลางกลางดูเดรดด้านเออเยดูไม่ได้นี่ว่าไงคนนั้นจะตายแล้วนั่นน่ มันจะเลี้ยวฉลาดมองดูเนี่ยไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็นแล้วก็จะปฏิบัติติดให้มันมีความสงบเบ ย, ยือกเย็นพร้อมน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้อย่งไรนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลา ท, ทั้งทๆที่ทําความเพียรและเขาเข้าใจว่าตนทำความเพียนอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เห็นเหี้ยเห็นผลอะไร สอนก็สอนไปจนไม่ให้จะให้สอนอะไรอีกนั่งหนานะวันนี้กําลังวังชามันก็ลดลงลดลงดูไปอยู่ไปเท่า น, นั้นเองวูดตามความจริงอย่างนี้อะ่ะมันไม่ได้สนใจกัอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทําประโยชน์แก่โลกความเมตตาเมตตายอ ม, อมอรับความเมตตาของศาลแต่เครื่องมือที่จะใช้ ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาหดเข้ามาด้วนเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนําสั่งสอนมีเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายกค่อยแต่จะพังคลายกับลุ้งเข้ามามาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่นันกหนักอยู่ตลอด เราแตกใจามากพุทธศาสนาที่พระองค์งแสดงไว้เนี่ยแสดงเรื่องมากเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นทําไมผู้ปฏิบัติเรามันตึองจะคว้าน้ําเหลวคว้าน้ําเหลวก็ให้จิตเด็ดร์พักคว้ามกบคว้าแต่น้ําเหลวสิถ้าทำพักควา้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สําคัญตรงเนี้ยหัดคิดอา่านสิปกติปัญญามีอยู่ ดูทำไมอยู่แค่วันหนึ่งวันหนึ่งตื่นอะไรตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีเมื่อมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลในประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทําให้ร่มจมเสียหายก็ดีทําให้เจริญรุ่งเรืองกอดีมันเรื่องของเราเนี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของโืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากถานสําคัญที่จะสร้างความดีและความร่มจมแก่ตน นู่อยู่ท่านี้ดูลงไปตรงนี้เจ้ทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นนไม่อยู่กับมือกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่หัวใจนั่นยิ่เด็ดมันบีบอยู่หัวใจนั่นมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจหันมีชัดถามก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทําจิตให้สงบหรือจะบริกรรมคาใดให้อยู่กับคําบริกรรมนั้น ด้วยความยืดยาวไปนิดหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทําไม่ได้คอยให้จีเรีมัลากไปลากไปเหยีดทั้ทงทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมจริงเพลินกับมันคอยตามมันตลอดถ้าไม่คอยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คอยตามมันมันจะมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันมันเป็นฆาตศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหล่งให้ได้ในเวลาหนึ่ง การหนึ่งอิริยาบถมันจนได้น่ะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเหล่าอันนี้นี่จึงแต่เรื่องมันหลอกถึงความปุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมัธตะวันเกิดมันปุงเรื่องอะไรบ้างคิดว่าสังขารสังขารมันปุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกจะของหลอกจะของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงของจริงขึ้นมามันหลอก หลอกอยู่ทุกเวลานเวลาหลอกมาตร์สนามอะไรทําไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ <c oughs> ชินชาเลยนี่ที่มันน่าแตกใจออกมากมายู <c oughs> ่ลองดูสิจิตมันหลอกหลอกอยตลอดเวลาไม่มีความเบือ่อไม่มีความอิ่งพอพราะใจให้มันหลอกอยู่ตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นทำเพราะอันนี้ยองจึงระงับมันไม่ได้ แล้วเอาสิ่งความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่อยอมรับพอกี่นาทีเลยเป็นคําบริกรรมเงี่ยเป็นบริกรรมนี่เป็นเป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขานเหมือนกันแต่แปรเป็นสังส้งขานฝ่ายธรรมตั้งขานฝ่ายมรรคความปรุงโดยลพาพังของจิตเป็นสังขานฝ่ายสมุ ท, ทัยกิเลสผักดันตองกาให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมี่มันก็ไม่ได้เรื่องได้เรา เดี๋ยวก็เผลอไปตามมัน จ, จนได้เนี่ยคำถาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งค็อร่างกายมีกําลังมากมันก็ทําลายเหมือนกันความภาพเพียนเวลาร่างกายมีกําลังมากตั้งสติไม่ได้คาบุรีคำรรเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตานะมันเคยเป็น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 คุพูดว่าแน่นอนไมได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็ห่างมีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถิดถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบกัได้นี้มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหลี่ยงด้วยความพิดความปรุงสัญญาอารมณ์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 เขาไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบถ้าแนวลงไปแล้วมันจะเห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั้นแหละมันไม่เห็นเพราะจิตมันไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูก มันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นแหละเป็นความถูกต้องเพราะจะิตริตนิสัยทั้งคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุง่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหน่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อดพูดไปพูดไปก็หนื่อย เหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งท่อนอย่อยากให้หมูเกลื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็อยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่เพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันดุนแดงฝ่ายทำเครื่องปรบับมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมด กันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ดังที่พูดแล้วนั้นไม่จะทําแบบลมๆแรงแแลง้งๆมันนักเป็นแบบลมแรงๆจงเพาะในหัวใจจะของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก่อนแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอาัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลสายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพูดปฏิบัติแล้วคว้านโน่นคว้านี้ไปอย่างนั้น มีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่กิดไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นสิมันถึงได้เหลวๆหลายๆอยู่เวลานี้โลกมันหนาแ น, น่นขึ้นภายในกิเลสภูพาในใจโลกก็คือกิเลสนันแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันดว น, วนมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากข้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละ คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัตจักรวัตวัตวุลของสัตว์โลกของเขาของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองรู้อะไรนี่มันหนักเป็นไปทั้งมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในหลักธรรมชาติทั้งมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่เป็นไปได้านกเป็นัญหาเพราะเมื่อเนื่อแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างกัน เวลามันหมุนไปตั้งทำก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นเป็นแต่ตังงทำมันวนสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันน่ว่าอดมันก็ไม่อดมันนัเป็นทั้งหมดเองเหมือนน้ำทับน้ําซึมัไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเนื่องวัฏฏวุลของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่มีต่างกันว่าหนาบาง กว่ากันนี้อันนึงห น, นามากหยาบมากแล้วาปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นคืว่านว่าวัตตะวนันมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยแล้ละเอียดมาเป็นลำดับลำดัเนี่ยทำให้วัตตะ วาตะวันของใจนี้ยน่นเข้ามายน่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ยน่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นแบบนี้ก็ขาดหมื่นถ้าหมื่นชาติแบบนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามายน่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกริชี B C, อย่างที่ว่าท่านพูดถึงน้ำพโสดาเนื่องจากธรรมชาติของจิตนี้ แม้เวลาเราจะพิจารณาเข้าไปแล้วมันสรดสั่งเวืจริงๆนะธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตพาให้จิตตัวดแก่จิตตายเนี่ยปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่คือึงว่ามันแหลมขมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในที่วัาที่เลยไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพระเจ้าเป็นพระองค์นรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะจะไปรู้โดยสันติโตโกของตัวเองก็ตามเ แต่ได้เงื่อนจากพระเจ้ามาก่อนสําหรับผู้อเองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัตตะวบนี้เลยอย่างนี้ว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองก็พาะทรงกุดคนเองกิแต่และดวงละดวงมันมากขนาดไหนี่หาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเวน้นนี่เราก็มีเวน้นตะกิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนนั้น อันนั้นไม่ไม่นับเข้ามาในประเภทในวัตวันนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัตตะวันนี้นอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงยกเว่นกัว่ากันตปอย่างนั้นนะอ่ะเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตทุ้งท่านในนั้นอย่างนี้จะดึงเข้ามาในคนในวัตวะ น, นี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองทางนั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ํา ตัวช้าละโมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นัน่นนกอเวกีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแน่ตั้งแต่เป็นที่บรรตุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหดเป็นลําดับลาดาขึ้นมาจนทั้งขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรมสูงมันไปสูงมันไปนี่ก็ล้วนแนวตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดมัเกิดต่างกันเกิดทางดี ท, งทั้งชั่ว ถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นกิต ด, ดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีท่าปฏิบัติในต่นนั้นแล้วมีความดีพูดงา่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริ ม, มันเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัตกรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่ยิตธภาวนาภ่าปฏิบัติยิตธภาวนารวมลงตรงนั้น นั่นแหะตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดจากเก็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดจากเก็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมาอย่างไงรจนกระทั่ ง, งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทําไมจะไม่ทราบเรื่องจิตแต่และดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนเหือนนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นอใจดวงนี้เป็นเครื่องยืนยัน ว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัตรนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบเพื่อนว่าเพราะเหตุนั้นนักบระพุทธิเจ้าขเานื้นออันเนกชาติสร้างสร้างหลังสร้างไทยสร้างอันนี้สร้างหน้ากําลังเวสันตุอุค้าชาติปุณณะปุรณะเป็นแสดงไว้ในปฐมปฏิการที่จะกัดสลุนในปฐมปฏิการท่านย่อเยื้ออวิชาตันหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราบัตรนี้แเราจะทําลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มี ยี่เด็ดตันหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นแ่ละจิตของเราถึงแล้วซึ่งภายในผนะ่านเปะนผู้ไว้นนนหนอภิเษกชาติสังสาราังนั่นแหะเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติท่านไม่จะไม่รู้อย่างพระองค์ละ่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของ ยอมรับมากิจตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเหวียนแล้วย่อมแล้วทราบและชัดว่าแต่แต่ก่อนมันเป็นพ่ออะไรพาให้หมุนเหวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เด่ตันหาสะละนะั่นท่านแสดงไว้นะอเมกาชาจิสังสาหลังอืมตั้งข้ารักตังกิตตังตันห่านังกัลยมัชค่านี่ว่าตัญหาอย่างนอันตันห า, า, นห า, นนหาคืออความปรกโยธาญาณความอยากความวิ่นหล่นนี่ะ นี่ย เ, เป็นยางเหนียวเป็นตัวสําคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทําลายทั้งหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเรถึงแน่ชื่ น, น, น, นที่ผ่านคือความไม่ปรุงอะไรอยู่แล้วหมดเชื่ออะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมด นี่เมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรงไงแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นมาอย่างไางไงเนี่ยเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่กระบอกนะจ๊ะอริชาตัญหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละกินมันฝังจิต เป็ามาทําด้วยกันก็กิดจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญานวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมยานยานคือละเอียดมากญาณอุตตปาริปัน ญ, ญาอุตตปาริวิจาวุตตปารโลกโกตุปาเนี่ยคือละเอียดซึ้งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกรทังถึงถวิชาวุตตปาเนี่ยแล้วก็อาโลกโกตุปานี่คือสว่างไปหมดเลยรู้นลอกกันหมดนั่นนี่จะมีใครไม่รู้ได้อย่างนี้ ก็มพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสาดางองค์เอกศาสนาเอกนถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่าลูกคากลั่มเป็นความจริ ง, ล, งล้วนรูน้จริงเห็นจริงนี่แลหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปได้แล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทําไมมันมีปัญหาไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทําไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่ มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เิดตายอยู่ตลอดนี่ที่มันถึงมีบุญมีบาศแรกันไปแสกันมาอย่างนี้อ น, นั้นพ้นไปแล้วพูดพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วมึงต้องพูดพวกนี้แล้วหาวิธีแก้ไขสิมันสิ้นมันสุนดลงไปจะไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เิดตาอยอีกถ้าหาวแก้ไม่ได้เมื่อไรถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยต้องจะวัดตลอดไป อนมัต์มักโโหอะไรอนามัตต์มักโโหทำ่มไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านวางมันหมุนก็อยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไตขอบโดงท่านท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไตขอบดงอะดูเอามันออกมาทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านวังเนี่ยวัดตะบนการมาโคูกโค้ดลูพบนี่แหละขอบดงเหมือนขอบดงจัดทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาอย่นี้ทางออกก็ ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาเรื่อไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโซตาก็แปลว่ากระแสธาตุพินเนี่ยกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ธาตุพินเนี่ยเยื่อยๆเรื่อยไปนี่พระขั้นภูมิท่านที่ท่านอยู่ก็ก็เป็นแล้วยิดประเภทเหล่านี้กับก้าเขั้าสูอวิหารตะปาสุสษาสุอสีอภินิฐานผูมิโลกห้าชั้นเยอกว่าสุทาวาสห้าชัน เป็นที่อยู่ของผู้บริรสุทธิ์สุทาวาสแปลบริสุทธิ์ตรงนี้ท่านคงจะหมายถึงเรื่องการม่ิเห <c oughs> ลวแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชาปัญญาสังฆา่ังมีอยู่ในกิจของห้าชั้นนี้ผู้กล้าเข้าสู่หาชั้ น, นเป็นร ะ, ระดับ แลกระดับสองระดับสามขึ้นไปเช่นวิหาตปาป่าสุรศาวฤตสีษษอกษษนิฐานพอถึงขัง้นอรกนิฐาแล้วก็ผ่านข้าพรสีนิพพานม า, านี่เป็นหลักธรรมาชาติของกิตที่จะเป็นเองเมื่อถึงก้าวเขาถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมาชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะสอยลงมาบม่มไม่บม่มก็ตามจะจะสูงโดยฐานเดียวเท่านั้นยิ่งได้บม่มก็ยิ่งเร็ว อันนี้ก็ยิ่งไในปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคตได้รับการอุปมแล้วก็ยิ่งรวดเดีลงไปเรื่อยๆเือๆจนกระทั่งสิ้นสุดในชาตินั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในชา้นใดภูมิใดหรือพบแห่งอคติฐานพบกต่างมันไปรอไม่อยู่ผ่านเล น, นี่เพราะก็ได้รับการบ่ม บ่มอินซีคือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างเนี่ยอย่างนักปฏิบัติเนี่คิดได้ถึงเก้าถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกันแต่แล้วแล้วก็ยังไม่แล้วสวยมาบ่มด้วยผลมไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้น น, นะเป็นอย่างนั้นมีทางออกเมื่อเก้าข้อนี้แล้วเป็นทางออกแล้ว พอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยๆเรืลงไปเศรษกิจาอนาคตอันล่าหัตภูมิเต็มภูมิผางมันรู้อยู่ในหัวใจนี่เนี่ยผู้ปฏิบัติทําไมจะไม่รู้สันติโกฟงประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปชี่ป่าการปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมา้พระพุทธเจ้าจะเหมือนกับว่าประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่ยในหัตไทยเราหัน พระพุทเจ้าประกาศกัางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้นี่เมื่อรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกัางวันอยู่ในหัวใจเรานั่ น, น, นความจริงเดี๋ยวผ่านนี้แล้วมันหมดเป็น่างนี้ว่าหม ด, หม ด, มดรดู้ไปโดยนดับนะจิตเวลาถึงขั้นมันรู้แล้วมันรู้จริงขึน้นขั้นได้ระดับของได้ระดับของกรรมราคานะเนี่ยมันมันละเลยกรมมราคาขาดอย่างนี้นะ พอได้ระดับก็รู้นี่มันจะละเอียดถ้ามันไปเ่ๆลยเคื่อนอย่างนปรากฏแมวขยันหมันเคลือนอปรากฏนังนั่นปรากฏที่นี่ละเอียดตูงผูเหมี่ยวปูดีตอนเขาไปพาไปที่เม็ดเลยยังนัานปรากฏที่นึ่แต่วางประกอบความเพียนนี่เ้าผลดีเลย มันเป็นในวงโคงก็ผลจนนับได้ผมไปกอแกัววันไปไปทอน้านนะไม่ปรากฏคนจะขึ้นในนับได้ไม่ถึงสิบขึ้นไหมไปยุเป็นเนื้อละห ล, ลายเดือนต้องแต่ไปไก่ไปเป็นเดือนเดือนนั้นเดือนนี้ปรากฏหลดุดปรากฏหลดุด แางหลังๆแต่มากหนั่นจำความห้างๆยังอุบายของคนจิมาแสดงนั้นมันเป็นกติสาคัญสำคัญๆใดสาคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นต่างสามิฐานิฐานิทดลองเราะสา่งวัดที่นั่นดีผมก็สา่งวัดมากด้สองวันอยู่แล้วอันนี้คือล่องในนหมีท่าน เบนทบาทผมไปสายชานีใม่ไก่ไปสายสานีหมูพื้นไปสายนั่นสายนันไปสายมือแถวคลองก็มูลไกล่ พ, กนนกพอนีฝนตกหมูพื้นไตมันเป็นเอาเขาไม้สุงทั้งท่อนแล้วขวางอคลองนมีแล้วเป็นเป็นสะพานไปไต่ไม้ลำเดียวลนะไป ไปต้องฝนตกเลยลื่นงไงนไู้นกั้นลมไปด้วยเขาเต็มบาดเาก็หุ่นยมูอก็มาว่าข้างธรรมดาละาหุ่นอย่าง้างธรรมดาแล้ว ม, มันเป็ น, นยนคลิดอจจะของพูดคือองค์านบ่ได้ ย, ยั้งมาาลเมือนเขาเต็มบานก็นั่งไปเต็มเขาแล้วลแล้วท่านีล้วมันเต็มนหมที่เอายังนเลยของมันล่งหุ่นจริงไหะ น่าวมบานมาเลยที่เอายังมากินเลยมันก่อของมันเองบด้หารปรเทศเลยมือม yeah ั่วบ้างดึ่งดังหน้าของมันตกดึ่ดัคือเอาลัดเอาเปียกมูอบ่มีเจ็นหน้าของมันเล่าเป็นผู้ย่ยเป็นท่านาคขึ้ดเอาเปียกมือมูอเป็นลำบาบุเ่าละเี้ปต่อเล่าก็อาจเี่ยนแปลงถ้าจะไปสาหนึ่งบางสาหนึ่งบางไปหลายที มันคลืนมากหนูปากโมากเลยมากแสดงเหตุเนี่ยคลื่นม า, ากมามามาไปเจ้าหมายพระบินบาบวงนะมากเลยนะไปพระบินดาบเป็นเรียมผ่ามาแล้วค้องผ่าผ่าบาทมาพร้อมเราดิ้นไปพรบินดาปรากฏว่าของนิดม่ดเห็นแตมากเราก็เเทียมพร้อมเลยพิจาร็วแล้ ว, ข, ว, วของนิดนะตามหลังไปรลไปสององค์แล นี่ที่วันเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม้ท่านบางนี่นะอืลําบากลำบนขนาดไหนหลังสู่้านาสู่แดดทุกงานลาบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม้ท่านแต่ละแต่ละขังไอเล่าถึงไม่ร่าแล้วแต่เอามากินนี่เถอะก็เห็นมาเป็นข้อลาบากลาบนว่าแล้วจะทรงศาสนาไปได้ยังไงวางนี่น่ะังด้นะ เราถึงเวลาแล้วก็ไปเอาวางเงินนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำลำบากลำบนแเราจะทรงศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พภาษีเกียรเต็มบ้านเต็มเมืองวึงวางเงินคนพูดถึงเมืองเขากว่าจะหามกลัวจะไดือดใหมใส่บาทเท่าไรเขาแทบลมจะตายเขาดินเต็นขนหัยนั่นถูกบนบนโลกบางทีเนี่ยเราถึงเวลาแบบแปลว่ากินไม่เคยไม่เงินเงินเป็นความลําบากลำบนนั่นเนี่ยไม่ ต้ศาสนาไปยังไงมิถุนิพพะี่เจ็บกี่ข้ามเป็นบ้านเต็นเมืองหนึ่งทนวางนั้นแล้วงานพวกก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเนี่ยนี่ยไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนี้อัด้นป้าไปงะบุกป้าไปงั่นหรอไปเขามันมีอยู่บ้านนั้นแล้วไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านกระต๊อบระตบนะไม่มีหรอกท่านก็พูดทุกท่านไปเรื่อยอยนั้นเป็นทรรนองยังมันเคยพูดเวลาบิตฑบาดท่านไม่ได้อยู่ต่างนะเป็นยุทธส่ทุกท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะทุนด้วน แต่ใครจะไปไปเกี่ยวข้ อ, ของกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเะขียนในหนังสือนะเจอหมาเราเรื่องหมาพูดไปเรื่องเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายเราพูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยไม่ซ้ํากันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านนะพูดไปลําพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้พนระอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาหันมาไง เขาเฉยๆอยู่ก้อนนอนท่านนั้นยถามเขาอีกมายืนถามจริงนั่งแสดงตั้งใจหละจะถามเ้ออกกาก่าเรื่องเจยอดสักแป๊บหนึ่งท่านได้เงินปับ้กับทานหน้าไปไปเลยท่านถามธรรมดาธรรมดาท่านนันเป็นเรื่องของอดของธรรมท่านถามไปเพียงเพียงเป็นเพียงจิติยาไปเฉยๆ เ, เพราะฉั้นผมต้องได้เตือนเพ่นเอนนงตบากับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่าน ท่พูดอะไรท่นเลยไปตอบท่านไม่ได้นะผมสอนไม่หมดแล้วเราไ่ท่านไม่ได้พูดกับเรานะท่ า, ทานพาพลาดพิงไป บ, บางท่านก็ถามมาพูดมาให้เฉยนะถ้าม่มีเจตนาจะถามจริงนะเป็นทางของทำแถวของทำท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเฉยผมไม่เตือนไนะ <c oughs> ม่เตือไม่เสมอเป็นของท่านเองเรามัผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะ ผมผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะ น, นักไปได้ไรในะนี้เนี่ยนักนี้ีนนะแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องท่านอนะไรอ่ะงเงีพอะเรื่องของเราเปไปมีมันก็วิ่งถึงกันปั๊บนะไม่สงสัยท่านปรุนเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยจนระิงเพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเหมเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่งางๆ ไม่พูดแต่มีเรื่องเก็บคิดหงุดคิดไปดังนั้นนิ่งมีแต่คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทําท้งคำพูดนี่มันยังมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้ น, น, น, นกับเป็นเรื่องที่จะพูดบ้างเหมือ น, น, นกันพอเป็นพอพอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปไดเรื่อยเหมือนท่านก็ตามพูดเป็นลักเป็นตอน มันก็พอจับเมื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษ์ที่เป็นสาระสําคัญสําคัญใน ม, มากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเรานี้ผหลวงปู่ในขนาดผมผมมาพ่อแม่กุยยานมั่นผมวางนี่ที่นั่นเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่น่ะมันถึงใจนะในความรู้สึกของเรา พูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่แ ม, แม่มันตหนัดมันถึงใจน้อยเมยืไหร่ลูกศิษท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคือมีเพ้นน้าหนึ่งก็เช่นอย่างลุงปู่ขาวนั่นลุงปู่พรมเพ็นน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ของท่านลุงปู่ฟัน้นนะ่ะ ทุู่แหวนคือเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนั่นคือแน่ใจละ่ะแน่ใจเป็นเพชรน้ำหนึ่งนีกง่กับอีหมายถึงเพชรน้ำหนึ่งมาทถึงจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นสมัยท่านสมัยพุทธกาลท่าพุทธกาลเรียกว่าพระราหันนั่นเองจะว่าอะไร ไม่มากท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สิงหอาจารย์มหาปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยรู้ประว่าท่านอะไรนะไม่เหมือนท่านเหล่านี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัตรละวันนั่งก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเง่น เพราะการเดินถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดียังอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คําดีไปพูดให้หมู่เพืน ฟ, ฟังอยู่ที่เจกนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งว่าท่านคาดีสําคัญนะวัดสระบุรีว่ะเพราะนาสำคัญมากว่ะว่างั้นนะมันเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังมันม า, นาการบูชาขึ้นเนาะ หลังที่พวกเขาไปทปาปัญหาันบัตรสลัมออกท่านมาก็เลยเราพบ ก, กันเรื่อยคับผมมันก็ได้พบกับพ่อแม่หุ้ยจันทร์กับแม่ตรงนั่นแหะที่่านันละดุนบ่มี้วนอะไรอีน่ะที่มีเงินได้เงินจากพ่อแม่หุจานทร์ที่บัารสลัมนั่นมากันม า, าดึงแต่เพิงได้พบ ก, ก็เล่าด้วยกักครับเล่าผมไปผักลุ้มไปผู้เดียวผม ที่ค้นแก่นตีตัวผมขโมยตีตัวไม่ให้ใครทราบตัวภาคคนหนึ่งจะยุ่งผมตีตัวให้น้องไปตีให้ธานีของปิงก็ไปลงค้นแก่นเ้าเข้าโปรภูเวียงไปภาพดูวัดทันวัดไทยวนันเป็นได้พบ ก, กันมาัาน้นแต่ก่อนตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือยุคฮลาก็ได้พบทำไม่ พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้มาพูดธรามะปฏิบัติจากนั้นก็ประหาท่านที่วัดธรรมพ่อ ป, ปู่ถึงไปดูเรื่องท่านท่านพูดท่านท่านรู้สึกว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะนี่ก็เป็นองค์หนึ่งจร่งก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่งที่หลวงปู่บ้านเราเหมือนกันนงจริงเลยปฏิบัติศีธรรมะท่านนี้ มีหลายองค์ทั้งพันทั้งพันที่เราเป็นที่แน่ใจก็จริงๆเร่องลุกปู่ฟั่นนะลปู่ขาวลงุลงปู่พรมลุงปู่ป แ, ปแหวนนั้นแน่ใจลุงปูนคําดีเราแน่ใจเลยเป็นน้ําหนึ่งน้ำหนึ่งไม่ไม่มีสงสัยก็มีแู่ลุงขีลุงปู่มั่นเท่านั้นเราเนี่านั้นก็เปดีหลายองค์นะอืม ใครจะไปผิดลูกศิลูกหาได้มากมายเหมือนลูกศิษลุล่ล ม, มั่นล่ะง่นานขนาดไหนเป็น ม, มากขนาดไหนผม อ, อย่างน้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านโมกียาอาการท่าทางอาชนายนะถ้าไม่รูปร่งางใหญ่โตอะไรนักหนานะแต่ดูอากัศปิรยาเหมนแหมเหมือนอาชนไหนสง่าผา่าเผยอง์อาจกล้าหาญหน้าตึงขา ม, มากนะ เสียงก็คำวานตาดีด้วยปรึกษาทุกตาไก่ป่าตาเขง้งตาไวเหมือนตาไก่ป่าตาดีพูดคำวานเสียงเสียงคำวานเรื่องความฉลาดานี่ห้อผมยังไม่เดื่มที่ปูที่นอนให้ผููที่นอนถวายเสมอ คือมันเป็นรักเป็นรักมนเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงหนึ่งองค์นั้นช่วงนั้นองค์นั้นช่วงมาถูกผมก็มีช่วงผมปูที่นอนนะตถาท่านก็มีบาทเหมือนกันแารรักษาบาดให้ท่านผมรักษาบาดมันเป็นช่วงเป็นช่วงองค์หนึ่งช่วงหนึ่งองค์หนึ่งช่วงหนึ่งองค์หนึ่งช่วงหนึ่งช่วงของผมก็มีรักษาบาทรักษาบาดให้ท่านแล้วก็ปูที่นอนให้ท่าน เราจะเห็นความละเอียดของท่านความฉลาดท่านมากขนาดไหนนี่เราก็พยายามและความจำของเราก็เก่งด้วยล้วความทำด้วยความสนใจด้วยท่านบอกซะก่อนนะบอกว่าปูที่นอนให้ปูอย่างนี้อย่างนี้โอ๊ยท่านบอกเรียบร้อยนะเราก็จำวาจนเหมือนกับว่าจะเอากระดาษเขียนเหมือนัว่าจะเอาดิ น, นอสอขีดไม่เกินนะั่นละเราก็จำได้แน่นย้ำปูไ ป, ปไม่กีวันน่ะ เอาแล้วผมูอะไร้มันเหมือนไม่ังมีหูมีตาหนุนหลังอะนะบูอะไรงี้ปุยนอะมือมันมีหูมีตาเห็น่นต้องปี้ดิปี้ดิปยงีก็ดูมนดูอ่แล้วปปิเาเกานิดหนึ่งเรามันไม่ได้ใช้ปัดหัวเนี่ยไม่ใช่ปัญญาเนี่ยนะท่านทาไม่ทาท่านทำเพื่อปัญญาสักที ไม่เรานอนใจเวลามารู้ทีหลังนี่นะตอนนั้นมันยังไม่รู้นี่ก็พยายามจํานีเลยเดี๋ยก็พลิกอีกห้าตาปูอะไรทั้งนี้ละมือนั่งหูมีฐาปูปูที่นอนปูง ไ, งไงเนี่บ่ะเหมือนคนตาบอดปูเนี่มันวางกันนะตาบอดภายในใจนั้ น, นมันรู้ทีหลังนี่โอ้โหนี่ที่ที่เรายอมอนั่ก็พิกไปนิดนึงแปู คือท่านเอาตรงที่ไม่ให้นอนใจความระวังตลอดนี่ท่านเอาตรงนี้ต่างหากนี่นะ น, นั่นจึนเป็นเป็นอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะสอดถึงใจของผู้ทํานี้ง่้นหรือฉลาดมันใช้ความคิดสติปัญญายังไงบ้างหรือไม่นี่นะหรือมันนอนใจเลยนี่ท่านเอาตรงนี้นะนี่มาลูท่ทีหลังนี่นี่วาใครลองนี้จะตามพ่อแม่ขรูอาจารย์ทำนี่ต้องอิบายเอาลองลู่อานาหลังอันหนึ่ง นี่จะไปขายขี้นั่นเลยนะวัดนั่ น, นความฉลาดท่านพิชรอบตัวสติปัญญาท่านรอบตัว อ, อยู่ตลอดใครจะไปคุ้นท่านได้ห่ะก็เป็นหลักธรรมชาติท้องจิตอย่างนั้นอันนี้ก็มาทราบทีหลังอยู่แล้วทราบตาทุ่มอไโอ้ยวัดไม่ทราบด้ยหลักธรรมชาตินี่นแหละมันก็ถึงนั่นเองถึงนั่นเองถึงมั น, นมยอมทพิรำโอ้โหโอ้โหเรื่อยเรืยไปเลย เดี๋ยวเราสุดท้ายก็มามาถึงขั้นที่ว่าขั้นมีลักษณะเหมือนคางควันคางบางอะไรอันนี้อะไรนะอยู่อย่างนี้ไปดึกมีลักษณะเหมือนคางร่องคา ง, งนี่เราก็มีกิดตกขึ้นมาแต่เราจับไว้นะระวังเป็นถิ่นเพราะตอนนั้นจิตของเราเหมือนกาลังหมุนจิ๋วเป็นธรรมชาติของมันแนั่น่ะถ้าติปัญญาเป็นแบบธรรมชาตินั้น มกืต้องนันนั่งคืน่ได้แหละแต่มันมันมันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีสงสัยอยู่โดยดีจึงต้องสงสัยท่านแต่ระวังอันนี้ท่านมีลักษณะเหมือนลักษณะค้างเมืงอะไรอย่างนี้ท่านจะมีราบเถือบ้างหรือไม่นะเท่านั้นนะปความคิดจของปุ๊บทันทีเลยไม่ให้มีเงื่อนต่อไปตั้งจับไว้อีกด้วย คิดขนาดนัน้นท่านจะมีเวลาเผอบ้างไหมนะแล้วยังเอาคาว่าเผอไม่เ ผ, มเผมยมาใส่ธรรมเนี่เรื่องสมมุติเนี่ยก็เรามันก็ไม่พ้นยังไม่พ้นสมมุติมันเอาเรื่องอันนี้ไปโปะท่านแหละเวลาพอมัน่านไปแล้วมันกลับมายอมเองโอ้ตายานั่นบอกเวลายอมนะโอ้ตายเรื่องเผอไม่เผอมันเรื่องของโลกเรื่องสมมุติ ไม่ใช่เรื่องนี้หมดเรื่องงวดเอาเอานนี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงน่ะทําไมมันต้องเกิดงนั้นก็มันเมื่อมันเข้าใจในหัวใจนี่แล้วมันทําไมมันจะมันมันจะไม่ชัดเรื่องของท่านล่ะก็พูดง่ายๆมันก็วิ่งถึงกันนั่นเองมีอไปกราบขอขมาท่านในสันทีเอาอัฐิขอท่านที่วัดจุฬาวาสที่ขอกราบท่านขอขมาท่าน ก็ลงทันทีอ่ะเราหายสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะระยะที่เราคิดอย่างนั้นเราก็ระวังของเราอยู่พอคิดทับเรียกว่าหักทันทีไม่ให้มันต่อมีเงื่อนต่อเลยอย่างคิดเยอะว่าท่านมีลักษณะเหมือนกลางบ้างอย่างนี้ท่านจะมีแล้วท่านจะยังมีเวลาเผยบ้างไห่นะทำนี้ก็ดุจทันทีเลยแล้วก็ตําไม่ด้วยนะมันถึงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าใจนู้นมันถึง ไม่ยอมทันทียอมหย่างถึงใจเลยลงท่านอย่างถึงใจอเผลอไม่เผลออันไหลไปเป็นบ้าอะไร น, น, น, นั้นนั่นเผลอยังไม่เผลอเรืเอ่องของสมมตุติไม่ใช่เรื่องของยิ่งมดแน่มันรับกันปุงป้งตึงเดียวเสียนะมาพูดทําไมเผลอไม่เผลอมาหาจิตมาหาปัญญามาพูดทําไมนั่นมันเดีพูดไปถึงนู่นน่ะ มหาะติมหาปัญญามาพูดทั้งใหม่มหาสติมหาปัญญาอยู่ในองค์มรรคต่างมรรคอยู่คืออยู่ในขั้นสมมอยู่นี่คือกําลังดําเนินอรหัตมรรคอย่างนี้นะอกมหาสติมหาปัญญาก็คืออยู่ในขั้นอรหัตมรรคอพราะผานปุ๊บไปแล้วมหาสติมปัญญามันก็หมดความหมายไปเลยเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทุกสมุทัยนิโรจน์นั่เป็นเป็นสัจธรรมเหล่านี้เป็นสมมติทางนั้นที่ พวกบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อันนี้นี่นะแน่จะเอามาเข้ากันได้ยังไงมั่บวกกันแต่แต่กันได้ไหมบวกกันหะใส่กันหาอะไรน่ะพู๋ยไงวางมันเลยเพรมันรู้เองเธอมันไม่รู้เองมันก็ชัดทั้งนั้นหาที่ค้านไม่ได้แหละไม่เคยรู้ไปตามเขา้มันรู้ถน่ะมันจะเป็นแบบเดียวกันนี้นะความคิดความคาดไม่ใช่ความแน่นอนคิดเลยอย่างนั้นคาดไว้อย่างนี้อย่างเราคาดเราคาดถามท่าน เนี่ยนติงคงเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันคาดไบนี่เป็นเรื่องของส ม, มุนไพรนั้นแล้วหลักพอเข้าไปถึงหลักความจริงปั๊บเราถึงวันนี้มันพังไปหมดเลยเพราะอันนั้นมันมันไม่ใช่วิสัยที่จะเอานี้เข้าไปไปเกี่ยวข้องได้นี่นั่นก็ไปเรื่องให้รู้ชัดๆอีกธรรมชาตินั้นก็ดีผมว่าสันตดไม่กลัวพอมันถึงพื่ผนฐานนี่ยประกาศโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาร้อเอร์เ็แล้วเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าเราเอาสงส่สกับว่าเล่ากระสินแล้วกะสินหนึ่งสงสัยอะไรอย่างพ่อแม่ผู้จันพูดพูดแล้วต้องยกมือขึ้นพูดลักษาทุไม่ได้ประมาทท่านหลวพอพูดถึงขั้นท่านเยวาวต์เต็มที่ของท่านพูดยังไงสันติโกเต็มที่สันติโกเต็มภูมิทางความบริสุทแม้พระพุทธเจา้าท่านประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามพุ่นฟั ง, งที่กันพูดครับทูล ถ, ถามท่านหาอะไรความจริงอันเดียวกันเนี่ยมีหวาง ถา น, นี่โก้ทน ห, หมดแล้วมึงนะน่ ะ, นะนพูดอย่างอาถามนีนะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างลักษณะผมพูดอยูกมือขึ้นสาธุขึ้นพูดแล้วไมไ่ประมาทว่ามแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามทูล ถ, ถามท่านทำไมบ้างถา น, น, นีโก้ท่านตระม่อมั้ทุกคนนี่นะผู้ปฏิบัติน่ะถามท่า น, นอะไรขึ้นวานผมไม่ยืน ยินเหมือนกันใครก็ดยินเหมือนกันหมดแล้วมันนาทีนั่งเดียวกันไม่ใช่ในน้อยพันเองงพูดตั้งยกมือกึ่งสาธุไม่ได้ประมาทง่ายๆแม้พระพุทธเจ้าท่นประทับส่วนหน้านี้ก็ไม่ทูลถามทูนถามท่านทำไมหหักธรรมชาติเดียวกัน อยากให้หมดกันให้รู้ได้เห็นสอนลงในทุกทุกอยู่ทุกแง่ทุกเงิในการธุรกิจในการธุรกิจทั้งนี้ไม่ได้กว้างอะไร น, กนักแล้วงของทำที่จะเกิดจะจรินจริงเอาจากนี้มาจรงภายนอกปรับปรุงมวลเข้ามาประมวลเข้ามาแล้วเขามาอยู่ทีก่การธุรกิเดืนจะจะทําอยู่นี่เดินของอยุมุดหรือทนก็อยู่ที่นี่แน่บ่อ